ครั้งเดียวสำหรับหนึ่งวัดอย่างวัดป่าสุขโตเนี่ยรับกระถินวันนี้แล้วเนี่ยจะรับกะถินอื่นไม่ได้ละจะรับอีกทีก็ปีหน้าเลยสังฆทานนี่ปีหนึ่งเนี่ยแต่ละวัดนี่จะรับกี่ครั้งก็ได้เป็นร้อยเป็นพันครั้งก็ได้แต่ว่ากระถินเนี่ยกรถิ น, นาทานเนี่ยนะรับได้แค่ครั้งเดียวแต่ว่าที่สำคัญนะ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 มีการซักถามว่าพระรูปใดคัดค้านไหมถ้าคัดค้านก็ให้เป็่งเสียงออกมาถ้าไม่คัดค้านเห็นด้วยก็เงียบเรียกว่าอยู่ในดุษนยภาพการที่พระเงียบก็แปลว่าเห็นด้วยทั้งหมดนะอันนี้ก็เรียกว่าต้องอาศัยความสมัคคีนะัถึงจะมีฉันทานุมัตแบบนี้ได้อีกประการนึงคือว่าผ้าที่ถวายเนี่ยนะถ้าตามประเพณีแล้วเนี่ย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 เพราะเราต้องการจะเกิดความสมัคคี ก, กันก็คือว่าใครยากเป็นเจ้าภาพก็ได้นะบางวันนี่เจ้าภาพเนี่ยมีแค่คนเดียวใครอยากเป็นเจ้าภาพก็ต้องรอปีต่อไปบางวันนี่เจ้าภาพนี่เข้าแถวยาว200ร้อยปีนะก็ <c oughs> ปากน้ำเนี่ยสองสรปีเลยนะแต่ที่นี่เนี่ยใครอยากเป็นเจ้าภาพมาเลยนะเพราะว่าเราเน้นนะให้เป็นกระินที่ส่งเสริมความสมัคคีเจ้าภาพก็มาจาก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 อันที่สองนั้นเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินนะจะเท่าไราก็ตามเนี่ยไม่สำคัญเพราะว่าสิ่งสำคัญกว่าก็คือความร่วมแรงร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันรวมทั้งความปราบคลื่มปิตินะที่ได้มาร่วมกันทำบุญเป็นการส่งเสริมอุปถัมภ์บำรุงพระสงฆ์บำรุงวาอารามแล้วก็เป็นการอุปถัมภ์าษศาสนาไปในตัว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 เงินหายบางทีเงินหายแค่แสนเนวะลาเราเติคําว่าแค่ลงไปเนี่ยไอสิ่งที่หายไปเนี่ยมันจะดูเล็กน้อยมีใครด่าว่าเราก็คิดว่าเออเขาแค่ด่าเรานะดีนะที่เขาไม่ทําร้ายเราเวลาเงินหายนะเวลาโทรศัพท์หายก็ดีนะเออมันหายแค่โทรศัพท์นะรถไม่หายด้วยลองเติคําว่าแค่ลงไปเนี่ยไอความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมันจะดูเล็กลงเจ็บป่วยก็เหมือนกันนะลองเติมคาว่าแค่ลงไปมีคนนึงเนี่ยแก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 เธอเป็นมะเร็งสมองแต่หน้าเธอเถอหน้าตาเธอยิ้มแย้มจิตอาสาก็แปลกใจคุยไปคุยมาเด็กก็บอกว่าหนูโชคดีนะที่ไม่ได้เป็นมะเร็งมดลูกนะมีญาติคนหนึ่งเนี่ยเป็นมะเร็งมดลูกปวดมากเลยหนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองมะเร็งสมองพอเติมคําว่าแค่ลงไปนี่ยิ้มได้เลยนะหรือแม้แต่มะเร็งมดลูกเนี่ยถ้าเติมคําว่าแค่ลงไปมันก็เบาลงนะอันนี้เขาเรียกว่า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 ว่เป็นลูกศิษย์คนสนิทของทธานเจ้าพุทธทาสท่านเล่าว่ามีคุณป้าคนหนึ่งนะคุณป้านี่แกก็เป็นคนธรรมะธรรมโมแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยก็มีน้องชายตายน้องชายตายนะพี่ชายของคนตายนี่ก็เสียใจร้องห่มร้องไห้มาบอกข่าวให้คุณป้าท่านนีทราบคุณป้าท่านนี้ก็บอกว่าแต่พูดแบบชาวใต้ว่า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 เราจะต้องพัดพาดจากของรักของชอบใจทั้งนั้นงั้นถ้าเราพิจารณาธรรมสีข้อนี้ยอยู่เสมอเสมอเนี่ยนะอ่านหนังสือพิมพ์นะฟังข่าวมันมีคนโน่นคนนั้นที่โน่นที่นี่ตายนะเกิดเหตุร้ายเกิดระเบิดแรงต่างแผ่นดินไหวภัยธรรมชาติเราก็เอามาสอนเตือนใจเล้ว่าเออนะมันคือธรรมดานะไอ้ความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลาค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 อปีนี้เนี่ยการทอดกรถินเนี่ยก็เป็นการทอดกรถินในเวลาพิเศษนะอ่าเป็นวาระที่เราทั้งหลายก็ไม่อยา้เกิดขึ้นนะก็คือเป็นมาทอดกรถินในช่วงที่ในหลวงของเราในเสด็จสวรรคตนะแต่ถึงแม้ว่าเราจะมีความโศกเศร้าอะไรอววรอย่างไรเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เราคลายความเศร้าโศกได้นะก็คือธรรมะเหมือนกันนะนึกถึงความดีนึกถึงน้ําพระทัยของพระองค์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 นะมีหนังสือที่จะแจกนะนะสำหรับผู้ที่มาเนี่ยเป็นทั้งคำสอนแล้วก็ประวัติของท่านนะก็หยิบไปนะคนละชุดแล้วก็เอาไปอ่านนะนะอาไปอ่านที่บ้านก็ได้นะส่วนที่วัดนี่ก็อ่านพระราชำดำรัสก่อนอย่างน้อยสามแผ่นนะนะนะแล้วก็เราจะไดนะ้ได้ประโยชน์จากการมาไม่เพียงแต่ว่ามาทาบุญที่วัดนะมาถวายเงินที่วัดนะหรือมาช่วยนะ